ยะยมะกะหปัญญติวาระอุเทศ 1. นสัจจะสี่คือ1นึ่งทุกขสัจความจริงคือทุกของสมุทัยสัจความจริงคือเหตุให้เกิดทุกข์ 3. นิโรธสัจความจริงคือความดับทุกข์ 4. มรรคสัจความจริงคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกหนึป่ปทถโสธนะวาระอนุโลม2ทุกข์ เป็นทุกขสัตย์ใช่ไหมทุกขสัตย์เป็นทุกขใช่ไหมสมุทัยเป็นสมุทยาสัตว์ใช่ไหมสมุททยาสัตว์เป็นสมุทัยใช่ไหมนิโรธเป็นนิโรธาสัตว์ใช่ไหมนิโรธาสัตว์เป็นนิโรธใช่ไหมมรรคเป็นมรรคสัตย์ใช่ไหมมรรคสัตย์เป็นมรรคใช่ไหมปัจจเนกาสามสภาวะธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขสัตย์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์กษัตริย์ไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสมุทยาศาสตร์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทยาศาตร์ไม่เป็นสมุทัยใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธไม่เป็นนิโรธาศาตร์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธาศาตร์ไม่เป็นนิโรธใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรรคไม่เป็นมรรคศาสต์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรรคไม่เป็นมรรคใช่ไหม สอปะทะโสธนะมูลจักรประวาระอนุโลมสทุกขเป็นทุกข์ศาสตร์ใช่ไหมสัจจะเป็นสมุทัยศาสตร์ใช่ไหมทุกเป็นทุกข์ศาสตร์ใช่ไหมสัจจะเป็นนิโรธศาสตร์ใช่ไหมทุกเป็นทุกข์ศาสตร์ใช่ไหมสัจจะเป็นมรรคศาสตร์ใช่ไหมสมุทัยเป็นสมุทัยศาสตร์ใช่ไหมสัจจะเป็นทุกข์ศาสตร์ใช่ไหม สมุท <departed? |mt|> ัยเป็นสมุทยะสัตว์ใช่ไหมสัจจะเป็นนิโรธาสัตว์ใช่ไหมสมุทัยเป็นสมุทยะสัตว์ใช่ไหมสัจจะเป็นมรรคสัตว์ใช่ไหมนิโรธเป็นนิโรธาสัตว์ใช่ไหมสัจจะเป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมนิโรธเป็นนิโรธาสัตว์ใช่ไหมสัจจะเป็นสมุทยะสัตว์ใช่ไหมนิโรธเป็นนิโรธาสัตว์ใช่ไหมสัจจะเป็นมรรคสัตว์ใช่ไหม มรรคเป็นมรรคศาสตร์ใช่ไหมสัจจะเป็นทุกขศสตร์ใช่ไหมมรรคเป็น ba มรรคสตร์ใช่ไหมสัจจะเป็นสมุทัยศาสตร์ใช่ไหมมรรคเป็นมรรคศาสตร์ใช่ไหมสัจจะเป็นนิ <IP taste> <cribe> สสโรธศาสตร์ใช่ไหมปาจเนกะหสภาวะธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขศาสตร์ใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมุทัยศาสตร์ใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ <pouch. S 2> ไม่เป็นทุกข์กัตริ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธกัตร์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขกษัตริ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรรคกษัตริย์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสมุทยาศาสตร์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกขกัตริ์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสมุทยศาสตร์ใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธาสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสมุทยะสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรรคสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรดไม่เป็นนิโรธาสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกขสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรดไม่เป็นนิโรธาสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมุทยะสัจใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธไม่เป็นนิโรธศาสตร์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นศัสจะไม่เป็นมรรคศสตร์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรคไม่เป็นมรรคศสตร์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นศัจจะไม่เป็นทุกขศาสตร์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรคไม่เป็นมรรคศาสตร์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นศัสจะไม่เป็นสมุทัยศาสตร์ใช่ไหมสภาวธรรมที <level 1981> ่ไ <volunteering> ม่เป็นมรคไม่เป็นมรรคศาสตร์ใช่ไหม สภาวะธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธาสัจใช่ไหมสสุทธาสัจจะวาระอนุโลม6ทุก์เป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นทุกใช่ไหมสมุทัยเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นสมุทัยใช่ไหมนิโรธเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นนิโรธใช่ไหมมรรคเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นมรรคใช่ไหม ปัจเนิกะเจ็ดสภาวธรรมทีไม na, ไม่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสัจจะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสัจจะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมุทัยใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธไม่เป็นสัจจะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรรคไม่เป็นสัจจะใช่ไหม ภาวะธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรรคใช่ไหมหสุท ธ, ธาสัจจะมูลจักกวาระอนุโลม8ทุก <SM C. S 2> เป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นสมุทัยใช่ไหมทุก์เป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นนิโรธใช่ไหมทุกเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นมรรคใช่ไหมสมุทัยเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นทุกข์ใช่ไหม สัจจะเป็นมรรคใช่ไหมนิโรธเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นทุกข์ใช่ไหมสัจจะเป็นมรรคใช่ไหมมรรคเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นทุกข์ใช่ไหมมรรคเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นสมุทัยใช่ไหมมรรคเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นนิโรธใช่ไหมปัจจนียกะเกสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสัจจะใช่ไหม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 ทุกข์ระสับเป็นทุกข์ใช่ไหมวิเว้นกายยึดกระทุก์และเจตสิทธิ์กระทุกแล้วทุกข์กระสับที่เหลือเป็นทุกข์กระสับแต่ไม่เป็นทุกข์กายยึดกระทุก์และเจตสิทธิ์กระทุก์เป็นทุกข์ก็ใช่เป็นทุกข์ระสับก็ใช่อนุสมุทัยเป็นสมุทยศาสตร์ใช่ไหมวิเว้นสมุทยศาสตร์แล้วสมุทัยที่เหลือเป็นสมุทัยแต่ไม่เป็นสมุทยศาสตร์สมุทัยศาสตร์เป็นสมุทัยก็ใช่ เป็นสมุทัยศัตว์ก็ใช่ปฏิสมุทัยศัตว์เป็นสมุทัยใช่ไหมวิใช่อนุนิโรธเป็นนิโรธัตว์ใช่ไหมวิเว้นนิโรธัตว์แล้วนิโรธที่เหลือเป็นนิโรธแต่ไม่เป็นนิโรธัตว์นิโรธัตว์เป็นนิโรธก็ใช่เป็นนิโรธัตวิก็ใช่ปฏินิโรธัตว์เป็นนิโรธใช่ไหมวิใช่อนุมัต เป็นมรรคศาสตร์ใช่ไหมวิเว้นมรรคศาสตร์แล้วมรรคที่เหลือเป็นมรรคแต่ไม่เป็นมรรคศาตร์มรรคศาสตร์เป็นมรรคใช่เป็นมรรคศาสตร์ก็ใช่ปฏิมรรคศาสตร์เป็นมรรคใช่ไหมวิใช่ปัจเจเนียกะสิออนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขศัตร์ใช่ไหมวิเว้นกายเยือกทุกและเจตสุกทุกแล้วทุกขศาตร์ที่เหลือไม่เป็นทุกข์แต่เป็นทุกขศาตร์ เว้นทุกและทุกขัสัจแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นทุกก็ใช่ไม่เป็นทุกขัสัจก็ใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกขัสัจไม่เป็นทุกใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสมุทยาสัจใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทยาสัจไม่เป็นสมุทัยใช่ไหมวิเว้นสมุทยาสัจแล้ว สมุทัยที่เหลือไม่เป็นสมุทยศัตว์แต่เป็นสมุทัยเว้นสมุทัยและสมุทยศัตว์แล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นสมุทัยก็ใช่ไม่เป็นสมุทยศัตว์ก็ใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นนิโรธไม่เป็นนิโรธาศาตว์ใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นนิโรธาศาตว์ไม่เป็นนิโรธใช่ไหมวิเว้นนิโรธาศาตว์แล้วนิโรธที่เหลือไม่เป็นนิโรธาศาตว์ แต่เป็นนิโรธเว้นนิโรธและนิโรธศัตท์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นนิโรธก็ใช่ไม่เป็นนิโรธศัตท์ก็ใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรคไม่เป็นมรคสัจใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรคสัจไม่เป็นมรคใช่ไหมวิเว้นมรคสัจแล้วมรคที่เหลือไม่เป็นมรคสัจแต่เป็นมรคเว้นมรคและมรคสัจแล้ว สภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นมรรคก็ใช่ไม่เป็นมรรคสัตว์ก็ใช่สองปัทถโสธนะมูลและจักรวาระอนุโลมสิองอนุทุกข์เป็นทุกขสัสตว์ใช่ไหมวิใช่ปฏิสั จ, จเป็นสมุทยัยสัตว์ใช่ไหมวิสมุทยัยสัตว์เป็นสัจจาก็ใช่เป็นสมุทยัยสัตว์ก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นสมุทยัยสัตว์อนุ ทุกเป็นทุก菩萨ใช่ไหมวิใช่ปฏิสัจจะเป็นนิโรธศาสตร์ใช่ไหมปฏิสัจจะเป็นมรรคสตร์ใช่ไหมวิมรรคศาสตร์เป็นสัจจะก็ใช่เป็นมรรคศาสตร์ก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นมรรคสตร์สิบสามอนุสมุทัยเป็นสมุทัยศาสตร์ใช่ไหมวิเว้นสมุทัยศาสตร์แล้วสมุทัยที่เหลือเป็นสมุทัย แต่ไม่เป็นสมุทยศัตว์สมุทยศัตว์เป็นสมุทัยก็ใช่เป็นสมุทยศัตร์ก็ใช่ปฏิสัจจะเป็นทุกขศาสตร์ใช่ไหมปฏิสัจจะเป็นนิโรธศาสตร์ใช่ไหมปฏิสัจจะเป็นมรรคสตร์ใช่ไหมวิมรรคศาสตร์เป็นสัจจะก็ใช่เป็นมรรคศาสตร์ก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นมรรคศาสตร์14อนุ นิโรธเป็นนิโรธาสัตย์ใช่ไหมวิเว้นนิโรธาสัตย์แล้วนิโรธที่เหลือเป็นนิโรธแต่ไม่เป็นนิโรธาสัตย์นิโรธาสัตย์เป็นนิโรธก็ใช่เป็นนิโรธาสัตย์ก็ใช่ปฏิสัจจะเป็นทุกประศัตใช่ไหมปฏิสัจจะเป็นสมุทัยสัตย์ใช่ไหมปฏิสัจจะเป็นมรรคสัจใช่ไหมวิมรรคสัจเป็นสัจจะก็ใช่เป็นมรรคสัจก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะ แต่ไม่เป็นมรรคศาตร์สิบห้าอนุมรคเป็นมรรคศาสตร์ใช่ไหมวิเว้นมรรคศาตร์แล้วมรคที่เหลือเป็นมรคแต่ไม่เป็นมรรคศาสตร์มรรคศาตร์เป cool. ็นมรคก็ใช่เป็นมรรคศัตร์ก็ใช่ปฏ wow ิสัจจะเป็นทุกขศาสตร์ใช่ไหมปฏิสัจจะเป็นสมุทัยศาสตร์ใช่ไหมปฏิสัจจะเป็นนิโรธศาสตร์ใช่ไหมวินิโรธศาสตร์เป็นสัจจะก็ใช่ เป็นนิโรธสัตว์ก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นนิโรธสัตว์ปจเนิกะสิหอนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขสัจใช่ไหมวิเว้นกายยึดกระทุกและเจตเจิกระทุกแล้วทุกขสัจที่เหลือไม่เป็นทุกข์แต่เป็นทุกขสัจเว้นทุกขและทุกขสัจแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นทุกข์ก็ใช่ไม่เป็นทุกขสัจก็ใช่ปติ สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมุทัยสัจใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขสัจใช่ไหมวิเว้นกลยึดกระทุกและเจตสึกกระทุกแล้วทุกขสัจที่เหลือไม่เป็นทุกข์แต่เป็นทุกขสัจเว้นทุกขและทุกขสัจแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นทุกขก็ใช่ไม่เป็นทุกขสัจก็ใช่ปติสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธสัจใช่ไหม ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรรคศาสตร์ใช่ไหมวิใช่17อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสมุทยัยไม่เป็นสมุทยศัสตร์ใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกขศัตร์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสมุทยศัตร์ใช่ไหมวิใช่ปฏิ สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธสัจใช่ไหมปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมัคคสัจใช่ไหมวิใช่สิบสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรดไม่เป็นนิโรธสัจใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกขสัจใช่ไหมปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมุทัยสัจใช่ไหมปฏิ สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรรคศา์ใช่ไหมวิใช่สิเกอนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรไม่เป็นมรรคศาสใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกขศา์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรไม่เป็นมรรคตาสใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมุทยยาตา์ใช่ไหม ปติสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธาสัจใช่ไหมวิใช่สามสุทธสัจจะวาระอนุโลมยี่สิบอนุทุกเป็นสัจจะใช่ไหมวิใช่ปติสัจจะเป็นทุกข์ใช่ไหมวิทุกขสัจเป็นสัจจะก็ใช่เป็นทุกขสัจก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นทุกขสัจอนุ สมุ ท, ยทยัยเป็นสัจจะใช่ไหมวิใช่อนุนิโรธ เ, เป็นสัจจะใช่ไหมวิใช่อนุมรรคเป็นสัจจะใช่ไหมวิใช่ปฏิสัจจะเป็นมรรคใช่ไหมวิมรรคสัจเป็นสัจจะก็ใช่เป็นมรรคสัจก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นมรรคสัจปัจจีเกยี่สิบเอ็ดอนุ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสัจจะใช่ไหมวิเว้นทุกข์แล้วสัจจะที่เหลือไม่เป็นทุกข์แต่เป็นสัจจะเว้นทุกข์และสัจจะแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นทุกข์ก็ใช่ไม่เป็นสัจจะก็ใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสัจจะใช่ไหมวิเว้นสมุทัยแล้วอนุ สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธไม่เป็นสัจจะใช่ไหมวิเว้นนิโรธแล้วอนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรรคไม่เป็นสัจจะใช่ไหมวิเว้นมรรคแล้วสัจจะที่เหลือไม่เป็นมรรคแต่เป็นสัจจะเว้นมรรคและสัจจะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นมรรคก็ใช่ไม่เป็นสัจจะก็ใช่ปติสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรรคใช่ไหมวิใช่สี่ สุทธสัจจโมูลจักรวาระอนุโลมยีสองอนุทุกเป็นสัจจะใช่ไหมวิใช่ปฏิสัจจะเป็นสมุทัยใช่ไหมวิสมุททยสัตว์เป็นสัจจะก็ใช่เป็นสมุทัยสัตว์ก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นสมุทัยสัตว์อนุทุกเป็นสัจจะใช่ไหมวิใช่ปฏิสัจจะเป็นนิโรใช่ไหม Lí, ปฏิสัจจะเป็นมรรคใช่ไหมวิมรรคสัจเป็นสัจจะก็ใช่เป็นมรรคสัจก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นมรรคสัจอนุสมุทัยเป็นสัจจะใช่ไหมวิใช่ปฏินิโรธเป็นสัจจะใช่ไหมวิใช่อนุมรรคเป็นสัจจะใช่ไหมวิใช่ปฏิสัจจะเป็นทุกข์ใช่ไหมปติ สัจจะเป็นสมุทัยใช่ไหมปฏิสัจจะเป็นนิโรธใช่ไหมวิน yes ิโรธาสัจเป็นสัจจะก็ใช่เป็นนิโรธาสัจก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นนิโรธาสัจปัจเิกะยี่สิบสาอนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสัจจะใช่ไหมวิเว้นทุกข์แล้วสัจจะที่เหลือไม่เป็นทุกข์แต่เป็นสัจจะเว้นทุกข์และสัจจะแล้ว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 สภาวะธรรมที ang, Christie, ่ไม่เป hmm? hmm? ็นสัจจะไม่เป็นนิโรธใช่ไหมปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรรคใช่ไหมวิใช่ยี่สิบสี่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสัจจะใช่ไหมวิเว้นสมุทัยแล้วสัจจะที่เหลือไม่เป็นสมุทัยแต่เป็นสัจจะเว้นสมุทัยและสัจจะแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นสมุทัยก็ใช่ไม่เป็นสัจจะก็ใช่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 ปั ญ, ญติวารนิเทศจบสองประวติวาระหนึ่งอุ ป, ปาทวาระหนึ่งปัจจุปันนวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคลยี่สิบเจ็ด อนุทุกษะของบุคคลใดกําลังเกิดสมุทัยศัตร์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทัณะแห่งจิตที่วิปยุจแจกตัญหาในประวัติการทุกสษะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สมุทัยศัตร์ไม่ใช่กําลังเกิดในอุปาทัณะแห่งตัญหาทุกษะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและสมุทัยศัตร์ก็กําลังเกิดปติ สมุธยศาสตร์ของบุคคลใดกําลังเกิดทุกศาสตร์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุทุกศาสตร์ของบุคคลใดกําลังเกิดมรรคศาสตร์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทัณะแห่งจิตที่วิปยุตแจกมรรคในประวัติการทุกศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่มรรคศาสตร์ไม่ใช่กําลังเกิดในปัญจโวการภูมิ ในอ e ุปาทัขณะแห่ง <iah> มักทุกขศาสของบุคคลเหล่าน <writing were> <gay> <ax>. <Hyundai> ั้นกำลังเกิดและมรรคศาสก็กำลังเกิดปฏิมรรคศาสของบุคคลใดกำลังเกิดทุกขศาสของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในอรูปภูมิในอุปาทัขณะแห่งมักมรรคศาสของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ทุกขศาสไม่ใช่กาลังเกิดในปัญจโวกาลภูมิในอุปาทัขณะแห่งมัก มรรคศาตร์ของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและทุกศาสตร์ก็กําลังเกิดยี่สิบแปอนุสมุทัยศาสตร์ของบุคคลใดกําลังเกิดมรรคศาสตร์ของบุคลลบบคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิมรรคศาตร์ของบุคคลใดกําลังเกิดสมุทัยศาสตร์ของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่อนุโลมโอกาตยี่สิบเอนุ ทุกขัสัตในภูมิใดกำลังเกิดสมุทั ย, oring, Books, ส, ส, ยสัตในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในอสัญญาสัตภูมิในภูมินั้นทุกขัสัตกำลังเกิดแต่สมุทัยสัตไม่ใช่กำลังเกิดในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นทุกขัสัตกำลังเกิดและสมุทัยสัตก็กำลังเกิดปฏิสมุทัยสัตในภูมิใดกำลังเกิดทุกขัสัตในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิใช่อน hmm. ุทุกขัสส์ในภูมิใดกําลังเกิดมรรคัสย์ในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในอบายภูมิและอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นทุกขัสย์กําลังเกิดแต่มรรคัสย์ไม่ใช่กําลังเกิดในจัตุตโวการภูมิและปัญจโวการภูมิที่เหลือในภูมินั้นทุกขัสย์กําลังเกิดและมรรคัสย์ก็กําลังเกิดปาิมรรคัสย์ในภูมิใดกําลังเกิด ทุกษัตรูในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่30มอนุสมุททยาศัตร์ในภูมิได้กาลังเกิดมรรคศัตร์ในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในอบายภูมิในภูมินั้นสมุททยาศัตว์กําลังเกิดแต่มรรคศัตร์ไม่ใช่กําลังเกิดในจตุวการภูมิและปัญจโวการภูมิที่เหลือในภูมินั้นสมุททิยาัตร์กําลังเกิดและมรรคศัตร์ก็กําลังเกิด ปฏิมกษัตริย์ในภูมิใดกําลังเกิดสมุททยาศาตร์ในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุโลมมปุคโลกาศสาสิบเอ็ดอนุทุกษัตริย์ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสมุททยาศาตร์ของบุคลบคล น, นั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมคําที่ท่านกําหนดว่าของบุคคลใดและของบุคคลใดในภูมิใดพึงขยายให้พิจารณาเหมือนกัน ปัจ ني กะบุคคลสาองอนุทุกขศาสของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสมุทยัยศาสของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสมุทยัยศาสของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดทุกขศาสของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติในอุ ป, ปาทะขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากตันหาในประวัติการ สมุทัยาศาตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ทุกขศัสตร์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการในอุปาทคขณะแห่งมรรคและผลในรูปภูมิสมุทยาศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและทุกขศัสตร์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุทุกขศัสตร์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคศาสตร์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม วิในอุปาทขณะแห่งมรรคในรูปภูมิทุกษัตริย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มรรคษัตริย์ม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการในอุปาทขณะแห่งผลในรูปภูมิทุกษัตริ์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมรรคษัตริย์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิมรรคษัตริย์ของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิด ทุกขศาตของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุติแจกมรรคในประวัติการมรรคศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ทุกขศัตร์ไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังขัคขณะแห่งจิตในประวัติการในอุปาทขณะแห่งผลในรูปภูมิมรรคศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด และทุกขัสสะก็ไม่ใช่กำลังเกิดสาสอนุสมุทัยาศาสตร์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคสตร์ของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทคณะแห่งมรรคสมุทัยาศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มรรคไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุตจากปัญหา และที่วิทยุ์จักมักบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสมุทัยศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมรรคศาสตร์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิมรรคศาสตร์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสมุทัยศาสตร์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งตันหามรรคศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่สมุทยศัตว์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังกคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคขณะแห่งจิตที่วิปยุ์จากมรรคและที่วิปยุ์จากตันหาบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมรรคศตร์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสมุทยศัตว์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปจจนกาโอกาสสอนุ ทุกสัตริ์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสมุทยยสัตว์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิสมุททยสัตว์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดทุกสัตริ์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิกำลังเกิดอนุทุกษัตริ์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคสัตว์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิ มกษัตริย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดทุกษัตริย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิกำลังเกิดสามสิบห้าอนุสมุทรยศัตร์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมกสัตริย์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมรกษัตริย์ในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสมุทรยศัสตร์ในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิ ในอบายภูมิในภูมินั้นมกษัตริย์ไม่ใช่กำลังเกิดแต่สมุทยรยศไม่ใช่เม่กำลังเกิดในอสัญญาสัตว์ภูมิในภูมินั้นมกษัตริย์ไม่ใช่กำลังเกิดและสมุทรย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัจจเนยกะบุคโลกาฏสามสิอนุทุกษัตริย์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสมุทรยศของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม วิใช่ปฏิสมุทยาศาสตร์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดทุกศาสตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติในอุปาทาขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากสันหาในประวัติการสมุทยาศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ทุกศาสตร์ไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ ในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการในอุปาทหขณะแห่งมรรคและผลในอรูปภูมิสมุทยัยสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและทุกขสัตว์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุทุกขสัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดมรรคสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทหขณะแห่งมรรคในอรูปภูมิ ทุกประศัตรของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มรรสัดนี้ไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการในอุปาทขณะแห่งผลในรูปภูมิทุกประศัตรของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมรรสัดก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิมรรสัดของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิด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 มรรคสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและทุกศาสตร์ก็ไม่ใช่กำลังเกิด 37. อนุสมุทัยาศาสตร์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมรรคศาสตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัคขณะแห่งมรรคสมุทัยาศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มตรรคไม่ใช่ไม่กำลังเกิด ในพังฆาณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากตันหาและที่วิปยุตจากมักบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสมุทัยสัตต์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมกขสัตต์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิมกขสัตต์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสมุทัยสัตต์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม วิในอุปาทคณะแห่งตันหามกขจัตรของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สมุทยาจัตรไม่ใช่มีกําลังเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุตจากมรรคและที่วิปยุตจากตันหาบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมกขจัตรของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิด และสมุทยาศัตร์ก็ไม่ใช่กำลังเกิด 2. องติตะวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคล 38. อนุทุกขสัตย์ของบุคคลใดเคยเกิด สมสุทยาศาสตร์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสมุทยาศาสตร์ของบุคคลใดเคยเกิดทุกขศัสตร์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุทุกขศาสตร์ของบุคคลใดเคยเกิดมรรคศาสตร์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุทุกขศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มรรคศาสตร์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้ได้บรรลุ ทุกขัสัตของบุคคลเหล่านั้นก็เคยเกิดและมัคขัสัตก็เคยเกิดปฏิมัคขัสัตของบุคคลใดเคยเกิดวิใช่สาิบเอนุสมุทัยศัสตร์ของบุคคลใดเคยเกิดมัคขัสัตของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุสมุทัยศัสตร์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มัคขัสัตไม่เคยเกิดบุคคลผู้ได้บรรลุ สมุทรทาตา์ของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมกษัตรก็เคยเกิดปฏิมกษัตรของบุคคลใดเคยเกิดวิใช่อนุโลมโอกาตสี่สิบอนุทุกษัตรในภูมิใดเคยเกิดคําที่ท่านกําหนดว่าในภูมิใดเหมือนกันทุกแห่งข้อแตกต่างกันเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วว่าในภูมิใดในหนหลังอนุโลมปุกคโลกาต สีออนุทุ ก, กษะัตรูของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสมุทัยศัตรูของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเมื่อจิตดวงที่สองเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิทุกษะัตรูของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สมุทัยศัตรูไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจัตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิ ทุกขศัตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและสมุทยาศาก็เคยเกิดปฏิสมุทยาศากของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดวิใช่อนุทุกขศัตร์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมรรคศัตร์ของบุคล ค, บคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุ และบุคคลผู oneself, mm. Luckily, ้อุบัติอยู่ในอสัญญาศาสตพูมทุกขศัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มรรคศัตไม่เคยเกิดบุคคลผู้ได้บรรลุทุกขศัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมรรคศัตก็เคยเกิดปาติมรรคศัตของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดวิใช่สี่สิบสองอนุสมุทยาศาสตของบุคคลใดในภูมิใดาเคยเกิด มรรคศาตร์ของบุคคลนั้ น, นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิเมื่อจิต ด, ดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุสมุทยาาัยศัสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมิ น, นั้นเคยเกิดแต่มรรคศาสตร์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้ได้บรรลุสมุทัยศาสตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมรรคศาสตร์ ก, ก็เคยเกิดปฏิมรรคศาตร์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด วิใช่ปัจจ尼กบุคคลสี่สิบสาอนุทุกสษะของบุคคลใดไม่เคยเกิดสมุทญาษะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิสมุทยาษะของบุคคลใดไม่เคยเกิดวิไม่มีอนุทุกสษะของบุคคลใดไม่เคยเกิดมรคษะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิ มรรคศาตร์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดทุกศาสตร์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดสี่ิสอนุสมุททยศาสตร์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดมรรคศาสตร์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิไม่มีปาติมรรคศาตร์ของบุคคลใดไม่เคยเกิดสมุทัยศัตร์ของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปัจจ尼กะโอกาส สีอนุทุกขัสัตในภูมิใดไม่เคยเกิดปัจจเนกะบุคคลโลกาสี่สิหอนุทุกขัสัตของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสมุททยาสัต์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปาิสมุททยาสัต์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดทุกขัสัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเม er honeymoon. ื่อจิตดวงที่สองเป็นไปอยู่และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตภูมิสมุทยาสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ทุกข์สัตว์มิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิสมุทยาสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและทุกข์สัตว์ก็ไม่เคยเกิดอนุทุกข์สัตว์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด มรมรคศาสตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมรรคศาตร์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดทุกศาสตร์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิมรรคศาตร์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด แต่ทุกขศัตไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุดท่าว่าจภูมิมรรคศัตของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและทุกขศัต์ก็ไม่เคยเกิด47อนุสมุทยัยศัต์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมรรคศัตของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมรรคศัตของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด สมุทยสัตว์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเมื่ออกุศนลจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้ยังไม่ได้บรรลุมรรคศาสของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่สมุทยสัตว์ไม่ใช่ไม่เคยเกิดเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิ มกักจัดของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและสมุทยัตว์ก็ไม่เคยเกิด